อนาปติวานภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ989 1. ิกภิกษุณีครอได้ที่ผู้อื่นครอไว้2อภิกษุณีวิกลจริต 3. ภิกษุณีต้นบัญญัตสิบขาบทที่สาม